จเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและสาธุชนผู้สนใจในธรรมะทั้งหลายวันนี้ก็ถึงประวัติของท่านพระอนุรุทธเถระเจ้าซึ่งเป็นพระมหาเถระอันดับที่สี่สิบเอ็ดซึ่งเป็นพระมหาเถระซึ่งมีความสำคัญองค์หนึ่ง ท่านพระอนุรุทธะเทระนี้ประวัติเดิมของท่านก็คือเป็นพระโอรสของพระเจ้าอามิโตะธนะพระเจ้าอามิโตะธนะนี้ก็เป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุโธธนะดังนั้นก็จึงเป็นเรียกตามสามัญชนก็คือว่าเป็นลูกผู้น้องของเจ้าชายศิษฐกุมารนั่นเอง คือเป็นลูกของพระเจ้าอาพระนามว่าอมิโตธนะประสูติมีพี่น้องหรือมีพระเชษฐาและพระเชศฐากินีร่วมกันประสูติแต่พระมารดาเดียวกันนั้นสามพระองค์ด้วยกันก็คือหนึ่งพระเชษฐาซึ่งมีนามว่าพระเจ้ามหาเจ้ามหานามะ และก็มีพระกนิษฐาพาคินีคือน้องสาวนามว่าพระนางโลหินีรวมกันเป็นสามทั้งอนุรุทธะพระอนุรุทธกุมารอนุรุทธกุมาร น, นี้เป็นกษัตริย์อันสุขุมราชาคือเป็นกษัตริย์ที่ละเอียดอ่อนมากมีปราสาทสามหลังเป็นที่อยู่ในสามรดูการ และก็สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินคลานและบริวารยศตามประวัติว่าแม้แต่ที่สุดคําว่าไม่มีนั้นก็ไม่เคยรู้และก็ไม่เคยสดับมาเลยคําว่าไม่มีคือต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีทุกอย่างซึ่งต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วบุคคลจะกล่าวว่าสิ่งนั้นไม่มีดังนี้ไม่เคยสดับและก็ไม่เคยรู้จักคําว่าไม่มีนี่เลย <c oughs> ครั้งหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดานั้นประเสด็จประทับอยู่ที่อนุปิยะนิคมของพวกมรลกษัตย์ในเวลานั้นสกากยกบุมารซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากออกบวชตามพระบรมศาสดาวันหนึ่งเจ้ามหานามะผู้เป็นพระเชษฐานั้นก็มาปรารบถึงเรื่องนี้ แล้วก็จึงได้ปรึกษาพระอนุรุทธะกุ ม, มารผู้เป็นน้องว่า <c oughs> พ่ะ อ, อนุรุทธะในตระกูลของเรานั้นยังไม่มีใครที่จะออกบวชตามพระบรมศาสดาเลยส่วนในตระกูลอื่นนั้นทุกตระกูลนั้นมีบุคคลได้บวชตามพระบรมศาสดาแล้ว <c oughs> แต่ว่าในตระกูลของเรานั้นยังไม่มีเพราะฉะนั้นไม่เจ้าก็พี่คนใดคนหนึ่งละที่จะต้องออกบทบงังอนุรุทธกุมาร น, นันตอบว่าน้องเป็นคนเคยอยู่แต่ในความสุขมีแต่ความสุขไม่สามารถที่จะบวชได้พี่บวชเองเธอเจ้ามหานามะก็จึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเรียนรู้จากการงานของผู้ที่ครองเรือนเสีย ก, ก่อนพี่จะสอนเจ้า จงตั้งใจฟังขั้นกล่าวดังนี้แล้วเจ้ามหานามะก็จึงได้สอนการงานของผู้คลองเลือนยกการทำนาเป็นต้นขึ้นสอนเมื่อนรุธะฟังแล้วก็เห็นว่าการงานนี้ไม่มีที่สิ้นสุดที่สิ้นสุดของการงานไม่มีปรากฏจึงคิดเบื่อนหน่ายในการงานเพราะว่าอัอนรุทธกุมานี ตั้งแต่เติบใหญ่ขึ้นมานั้นเป็นกษัตริย์แห่งสุคุมมลชาตไม่เคยได้เกี่ยวข้องกับการงานเลยจึงไม่รู้ว่าการงานเป็นเท่าไหร่ท่านบอกว่าแม้แต่คำว่าไม่มีนั้นก็ยังไม่เคยปรากฏว่าได้ยินซึ่งในเรื่องนี้ก็มีครั้งหนึ่งว่าอันรุทธกุมานนี้ได้ไปเล่นคลุกคือเป็นการละเล่นการพนันชนิดหนึ่ง เมื่อใครแพ้แล้วต้องเสียขนมก็ปรากฏว่าอนุรุทธกุมารนี้เล่นกับพวกเพื่อนนั้นปรากฏว่าอนุรุทธะแพ้เมื่อแพ้แล้วก็ต้องเสียขนมก็จึงสั่งให้คนหลับชายนั้นไปเอาขนมไปนําขนมจากพระมารดามามารดาก็ให้มาจนถึงสองครั้งในครั้งที่สามอนุรุทธกุมารนี้ก็เล่นแพ้เขาอีก ก็ต้องเสียขนมอีกก็จึงสั่งคนนั้นคนชายรับชายนั้นให้ไปนําขนมของมารดามาไปถึงแล้วปรากฏว่าขนมนั้นไม่มีหมดไปแล้วฉะนั้นมารดาก็จึงได้กล่าวว่าขนมนั้นไม่มีดังนั้นคนน่ะ ที่รับชายก็จึงได้ถือชามเปล่ากลับมาแต่เทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ณนะประสาทนั้นก็มาดมลิว่าถ้าหากว่าเราให้พ่ออนรุทักุมานี้รู้จักคำไม่มีแล้วศรีรษะของเราจะแตกออกเป็นเจ็ดเสี่ยงดังนั้นก็จึงได้เนรมิตขนมนั้นให้เต็มจานซึ่งมีฝาครอบปิดหรือว่าเต็ม ภาชนะที่มีครอบ้าครอบปิดนั้นซึ่งคนรับใชน้นนำมาโดยที่ไม่รู้เมื่อมาถึงพระอนรุธะแล้วก็จึงได้กล่าวว่าขนมไม่มีอนุรุธะผู้ได้ฟังคำนี้เป็นคำแรกก็เกิดความสงสัยเมื่อเปิดดูแล้วปรากฏว่ามีขนมอยู่เต็มหมดหอมหวนชวนที่จะน่าเสว อ, อยู่มาก ก็นึกขึ้นไปนว่าขนมชนิดนี้มีชื่อว่าขนมไม่มีตนเองแล้วเมื่อสวยกันแล้วก็รู้สึกว่ามีรสชาติที่อรเด็ดอร่อยมากก็เกิดความน้อยใจว่าขนมชนิดนี้พระมารดาไม่เคยทําให้เรากินเลยให้เราเสวยเลยมารดาเ น, น้นคงจะรักเราน้อยไปหรือว่าไม่รักเราดังนั้นก็จึงได้กลับมาแล้วก็ทูลต่อว่าพระมารดา ว่าพระมารดานั้นไม่ได้รักตนเลยพระมารดาก็ตอบว่าแม่น่ะมารดาน那รักเจ้าน่ะยิ่งกว่าดวงใจและไนยนาทั้งหลายด้วยอันรุทธก็จึงได้กล่าวถามว่าแล้วเหตุชไหนแม่จึงไม่ทําขนมพระมารดาจึงไม่ทำขนมเพมื่อไม่มีนี้ให้หมอมฉันได้เสวยในการกก่อนพระมารดานั้นก็เกิดความสงสัยว่ามันอะไรกันแน่ก็จึงได้ถาม คนที่รับใช้คนที่รับใช้ก็บอกว่าก็ดึงเด็กทูลว่าข้าพุทธเจ้า ก, ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อไปถึงแล้วเปิดแล้วมีขนมเต็มไปหมดมารดาก็รู้ได้ทันทีว่านี่เป็นเพราะบุญกุศลของลูกคุณตัวเองดังนั้นเมื่อต่อในการต่อมานั้นเมื่ออันรุทธกุมานี้ได้กล่าวกับมา ร, ด า, มารดาว่าอยากจะเสวยขนมไม่มีครั้งใดมารดาก็ทําโดยในนะั้น คือชายภาชนะที่จะใส่นั้นครอบไว้เปล่าๆแล้วเทพ ย, ยดาก็จะมาในละมิตขนมนั้นให้เต็มจานนั่นเองโดยที่ไม่ให้อนุรุธะผู้นี้รู้จักกพราคำไม่มีอันนี้ท่านบอกว่าเป็นผลแห่งเป็นผลแห่งบุญที่อนุรุธะนั้นเคยกระทำในการก่อนคือในชาติปังก่อน ในชาติก่อนนั้นอนุรุทธะผู้นี้เกิดเป็นทุกขตะบุรุษคือเป็นคนที่ยากจนค้นแค้นมากนะเกิดเป็นคนที่ยากจนค้นแค้นมากต้องรับจ้างทํามาหากินหาเช้ากินขําแม้แต่ผ้าพันกายก็หาทั้งยากเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยการรับจ้างทํางาน แล้วก็เอานำค่าเข้าจ้างที่ได้มาจากการที่ทำงานนั้นเป็นข่าวสารบางอะไรบ้างก็มาหุงเลี้ยงชีวิตในวันหนึ่ง <c oughs> นามบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งก็จึงเที่ยวมาประกาศมาประกาศว่า บัดนี้มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาพร้อมโดยกับพิสุสงฆ์ข้าพรเจ้านั้นได้ทูล น, นิมอารถนาพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์มาฉันมารับอาหาร บ, บิธบาตในวันลุงขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดมีความปรารถนาจะรับที่องค์ก็จงแจ้งมาแล้วมหาบุรุษผู้ฉลาดนี้ก็จึงได้ชักชวนมาชักชวน ทุกกตะบรุษผู้นี้ในทุกกตะบรุษผู้นี้ก็จึงได้พูดว่าเรื่องของการจะถวายอาหารมจะบาดเจ็บพระนั้นเป็นเรื่องของคนเจาะของคนมีข้าพเจ้านั้นเป็นคนจนข้าพเจ้าจะเอาทรัพย์ที่ไหนที่จะไปซื้ออาหารเข้าปลาอาหารมาถวายดอกแดดพระสงฆ์เหล่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นก็จึงได้กล่าวว่าท่านไม่ได้นึกมั้งหรือ ว่าการที่ท่านเกิดมายากจนในการครั้งนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าในอดีตชาตินั้นท่านไม่เคยทำบุญไม่ได้เคยบริจาคไม่ได้เคยทำบุญหรือว่าให้ทานเลยเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยจึงได้เกิดมาละยากจนอย่างนี้นายทุกตะบุรุษท่านได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็เกิดความทรงเวทสลดใจก็จึงรับพระองค์หนึ่งรับพระองค์หนึ่ง ในการที่อาเพื่อที่จะถวายอาหารพิธบายแก่พระองค์เมื่อลุงขึ้นนายทุกกตาบุษนั้นได้ถวายแล้วก็จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยบุญกุศลหรือว่าโดยทานที่ข้าพเจ้าได้ถวายครั้งนี้ขอจงเป็นพระปัจจวัตพระวะปัจจใจให้ข้านั้นเกิดในชาติใดชั้นใดก็จริงดี ขออย่าให้รู้จักคำว่าไม่มีก็คือว่าอย่าให้ยากจนอย่าให้รู้จักแม้กระทั่งคำไม่มีเลยเพราะฉะนั้นด้วยผลบุญที่อนุรุทธะผู้เป็นทุกตะบุุษได้ถวายครั้งนั้นจึงมาเกิดในชาตินี้ก็มาเกิดในตระกูลแห่งกษัตริย์สุคุมุรชาติแม้แต่ว่าคำว่าไม่มีนั้นก็ยังไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยประสบหรือเคยสดับเลยนี่เพราะบุญ กุศลที่ตนเองได้กระทำไว้ในอนดีตชาติดังนั้นเทวดาทั้งหลายก็จึงได้เนรมิตขนมไม่มีนี้ให้อนุทกุมารได้เสวยตลอดมาเมื่อกุมาร น, นี้มีความประสงค์ต้องการจะเสวยดังนั้นเมื่อพี่ชายคือพระเจ้าเจ้ามหานามได้แนะนำ เรื่องการงานต่งตางๆขึ้นมีการยกการทำนาเป็นต้นว่าก่อนจะทำนานั้นก็จะต้องมีการไถหว่ า, วานเมื่อไถหว่านเสร็จแล้วก็จะต้องมีการดา้ยาแล้วเก็บเกี่ยวแล้วก็เก็บเข้ายุง่งแล้วเมื่อฝนตกมาก็ต้องการทำการไถหว่านต่อไปอีกอันรูทะก็จึงได้ถามว่าการงานเชนนี้จะมีสิ้นสุดในวันใดไหม ไม่บอกไม่มีการสิ้นสุดจะต้องทำอยู่เช่นนี้จนตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นอนุรุทธะผู้นี้ก็จึงได้คิดเบื่อนหน่ายในการที่จะต้องทำงานเพราะตนเองนั้นไม่เคยทำเลยไม่เคยรู้จักในเรื่องการงานเลยท่านกล่าวว่าแม้กระทั่งข้าวนี้ยังไม่รู้ว่าเกิดมาจากอะไรซึ่งตนเองนั้นมีแต่เพียงว่าเมื่อถึงเวลาอาหารก็นั่งโต๊ะสวยเท่านั้นท่านมีเรื่องกล่าวว่า อนุรุทธนี้กับเพื่อนๆได้พูดกันขึ้นว่าข้าวที่เราบริโภคอยู่ทุกวันเนี่ยเกิดมาจากอะไรแต่แสแอเจ้าชายองค์หนึ่งบอกว่าข้าวนี้เกิดมาจากยุ้งเพราะเห็นว่าคนนั้นเขาโกยข้าวออกจากยุ้งแล้วก็มาสีเป็นข้าวสารแล้วก็จึงได้มาหุงกินมาหุงบริโภค ส่วนเจ้าชายองค์หนึ่งก็บอกว่าท่านน่ะไม่รู้อะไรข้าวน่ะไม่ได้เกิดจากยุ่งหรอกเกิดจากหม้อหม้อหุงข้าวเพราะเจ้าชายองค์นี้ก็เช่นเดียวกันเคยเห็นแต่ข้าวที่เขาสุกเขาหุงสุกแล้วในหม้อที่เขาคดออกมาส่วนพระอนุรุตพอนุรุทักุมารนั้นหนักเข้าไปอีกคือแม้แต่ว่าที่ข้าวที่เขาคดออกจากหม้อที่หุงข้าวนั้นใส่จานก็ยังไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ได้ไ ด, ได้ได้เห็นเห็นแต่เพียงว่าเมื่อตอนเองนั่งต๊ะสวยนั้นข้าวเขาใส่อยู่ในจานเรียบร้อยแล้วก็จึงได้กล่าวว่าท่านทั้งสองนั้นไม่รู้อะไร <c oughs> ข้าวนั้นไม่ได้เกิดจากยุ่งหรือไม่ได้เกิดจากหม้อแต่ว่าเกิดในจานนี่เพราะฉะนั้นอนุรุทธากุมาร น, นี้เป็นกรรษัตริย์สุคุมาชาาิอย่างนี้ไม่รู้จักแม้แต่การงานอย่างใดหนึ่ง เมื่อพี่ชายของตนเองคือเจ้ามหานามะได้พูดถึงเรื่องการงานให้ฟังก็เลยเกิดคิดเบื่อหน่ายในการทางานก็จึงได้พูดกับวิชายว่าถ้าอย่างนั้นพี่จงอยู่คลองเลือนเถิดน้องจักบดเมื่ออครั้นเมื่ออนุรุทธะกล่าวเช่นนั้นแล้วเจ้ามหานามะก็ตามพระไทยเจ้าอนุรุทธะกุมารนั้นก็จึงได้เข้าไปหาพระมารดา คูนกับมารดาว่าแม่หม่อมฉันอยากจะบวชขอพระแม่นั้นจงอนุญาตให้หม่อมฉันได้บวชเถิดพระมารดาตัดห้ามไม่ยอมให้บวชอนุทักุมานก็อ้อนวอนขอให้อนุญาตนั้นเป็นหลายครั้งหลายคราพระมารดาเห็นดังนั้นก็จึงคิดอุบายที่จะไม่ให้อนุทักออกบวชก็เดอะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะห้ามปราบได้ ก็มจึงดำออจึงดำริมาถึงพระเจ้าพัทยะราชาผู้เป็นกษัตริย์แห่งกร ง, ค ร, งครองกรุงกบิลพั์ในขณะนั้นเป็นสหายของอนุทุศนว่าถึงยังไงอนุทัศนถ้าพัทยราชาผู้นี้คงจะไม่บวชแน่คงจะไม่เสด็จออกบวชแน่ก็จึงได้พูดเป็นเชิงต่อรองกับอนุทัศน์อุมาลผูเ้เป็นราชโอรสว่า ถ้าหากว่าเจ้าพัทยะราชานั้นออกบทแม่ก็ยอมให้เจ้าบทอนุรุทธะฟังเช่นนั้นกุมารฟังอนุรุทธะกุมารฟังเช่นนั้นแล้วก็จึงไปเฝ้าพระเจ้าพัทยะทูลตามโมหานของผู้ที่คุ้นเคยกันว่าเพื่อนเอย๋ยบรรพชาของเรานั้นเนื่องด้วยบรรพชาของของเพื่อนขอให้เพื่อนจงออกบทด้วยคือเรามีความประสงค์จะบวท ในชั้นต้นท่านพระเจ้าพัทยะก็ทรงปฏิเสธไม่ยอมออกบวชก็มีใครบ้างเล่าซึ่งเป็นกษัตรินั้นจะสเสียสละราจะสมบัติออกบวชได้ง่ายแต่ว่าอนุรุทธะนี้ก็อ่อนวอนอยู่ว่าถ้าหากว่าเพื่อนไม่บวชเราก็ไม่สามารถที่จะบวชได้เพราะมารดาได้พูดไว้อย่างนั้นถ้าหากว่าเจ้าอาท่านเพื่อนออกบวชแล้วจึงจะยอมให้เหล่านี้ออกบวช ก็ทูลอ้อนวอนพระเจ้าพัทยาต่างๆนาจนกระทั่งที่สุดพระเจ้าพัทยามหาราชานีไม่สามารถที่จะทนอ้อนวนได้ก็เลยตัดตกลงยินยอมที่จะบวชด้วยอนุรุธกุมานี้เมื่อชักชวนพัทยาราชาออกบวชได้แล้วก็ยังชักชวนสักยะอื่นสักยะเจ้าไอกุมไอเจ้าสักยะองค์อื่น ได้อีกสามองค์ด้วยกันคืออานันทะภคุอิมพละแล้วก็ยังได้ชวนเจ้าแห่งโกริยะวง อ, ะอีกพระองค์หนึ่งก็คือเทวทัตก็จึงได้ออกบวชไปพร้อมกันซึ่งมีอุบาลีเป็นในภูสามาราการนั้นตามเสด็จไปด้วยเช่นเดียวกับประวัติของท่านพระอาราท่านพัทธิยะ สักยะราชาก็จึงได้พร้อมใจกันออกจากเมืองไปเฝ้าพระบรมศาสดาที่อนุปิยอำเภวันทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินยัย <c oughs> พระอนุรุทธะเมื่อได้อุปสมบทแล้วเรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระธรรมเสนาบดีคือท่านภาษาลิบุตรแล้วก็เข้าไปสู่ป่าป่าจีนนวังสะมฤทธายวัน จเจริญสมณธรรมอยู่ก็ได้ตรึกตรองถึงมหาพริสวิตกเจ็ดประการด้วยกันซึ่งมหาพริสวิตกเจ็ดประการนั้นก็มีความว่าข้อหนึ่งธรรมนี้เป็นธรรมของผู้ที่มีความปรารถนาน้อยไม่ใช่ของผู้ที่มีความปรารถนาใหญ่คือปรารถนาคือเป็นผู้มกักมากปรารถนามากคือเป็นผู้มกักมาก สองธรรมนี้เป็นธรรมของผู้สันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่ไม่ใช่ธรรมของผู้ที่ไม่สันโดษสามธรรมนี้เป็นธรรมของผู้สงัดแล้วไม่ใช่ธรรมของผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะสี่ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้ป ร, ปราดปลารกความเพียรไม่ใช่ของผู้ที่เกลียดคราน ห้าธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีสติตั้งมันไม่ใช่ของคนผู้มีสติหลงงมงายหกธรรมนี้เป็นธรรมของผู้ที่มีจิตมีจิตตั้งมันมีใจตั้งมันไม่ใช่ของผู้ที่มีใจไม่ตั้งมันเจ็ดธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีปัญญาไม่ใช่ของผู้ที่ไม่มีปัญญาหรือมีปัญญาสามเมื่อพระอนุลุทธะ ตรึกอยู่อย่างนี้พระบรมศาสดาก็เสด็จไปถึงทรงทราบว่าอนุรุธทรงตรึกอย่างนี้แล้วก็ทรงอนุโมทนาว่าชอบละชอบละอนุรุธเธอตรึกตรองธรรมะของพระที่พระมหาบุรุษตรึกชอบละถ้าอย่างนั้นเธอจงตรึกธรรมะที่พระมหาบุรุษตรึกเป็นที่เป็นข้อที่แปดอย่างนี้ว่า <c oughs> พระองค์ก็จึงในตรัสสอนให้ปรัสมหาปริสวิตตกปริอ่าปริสวิตตกข้อที่แปดว่าธรรมะนี้เป็นธรรมของผู้ยินดีในธรรมที่ไม่ให้เนิ่นช้าไม่ใช่ของผู้ยินดีในธรรมที่ทําให้เนิ่นช้านี่เป็นมหาปริสวิตอ่า ประหาริสวิตตกแปดประการด้วยกันซึ่งอนุรุธะนั้นตรึกเพียงเจ็ดประการพระองค์ก็ทรงตรัสสอนให้ตรึกอีกประการหนึ่งรวมแล้วเป็นแปดประการด้วยกันครั้นตรัสสอนอนุรุธะอย่างนี้แล้วก็สเสด็จกลับที่ประทับ <c oughs> ส่วนท่านพระอนุรุธะนั้นบำเพ็ญเพียรไปก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต ตั้งแต่วันนั้นมานั้นน่ะท่านก็เล็งดูแลดูสัตว์โลกด้วยทิพจักสุกอยู่เสมอคือว่าเล็งดูทิปสัตว์โลกด้วยทิพจักสุกที่ใช้ดวงตาทิพมันเกิดจากหยานนั้นดังได้ยินกันมาว่าท่านพระนรุธะนั้นยกเสียแต่เวลาที่ฉันอาหารเท่านั้น นอกนั้นแล้วท่านพิจารณาดูแลสัตว์สัตว์โลกนั้นด้วยทิพยจักรสุตลอดเวลาเรียกว่าไม่ยอมเวลาที่ว่างจากนอกจากเวลาฉันอาหารนั้นไม่ยอมให้เวลานั้นหมดไ ป, ปเปล่าๆโดยที่ทรงโดยที่มองดูสัตว์โลกโดยทิพยจักรสุตลอดเวลาเลยด้วยเหตุนี้แหละ พระผู้มีภาคเจ้านี้จินตก ร, ระเสริญยกย่องท่านพานระนรุธะผู้นี้ว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายฝ่ายข้างมีทิพระจักขุยานขึ้นดวคือตาทิพนะคือตาทิพท่านพานระนรุธะผู้นี้ดำลงชนมายุอยู่มาจนถึงหลังพุทธกาคือหมายความว่าปรินิพานนั้นนิพานนั้นก่อน หลังพระพุทธเจ้าปรินิพานดังที่ได้มีตำนานปรากฏว่าแม้แต่ในขณะที่พระพุทธองค์นั้นปรินิพานท่านพระนุุทะนั้นก็อยู่ในที่นั้นด้วยเรียกว่าเป็นในขณะที่พระองค์ปรินิพานนั้นเป็นพระเถระผู้ใหญ่อยู่ในที่นั้นกับพระอนุน ซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ในบรรดาสงเหล่านั้นจะเห็นได้ว่าแม้แต่การที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นกำลังเข้าสมาบัติแปดก่อนที่จะปรินิพานนั้นตั้งแต่ประทมฌานขึ้นไปจนกระทั่ง เนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วเมื่อพระองค์ทรงออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธตอนที่เข้าสัญญาเวทนยตอันทยิตานิโรธที่เราเรียกกันว่าเป็นสมาบัทที่เก้านีหรือเรียกว่าอนุปุพวิหารธรรมข้อที่เก้านีเป็นการที่เรียกว่าดับสัญญาและดับเวทนาสัญญาเวทยิตะนิโรธ เรียกว่าสัญญาในขณะนี้ก็ไม่มีเวทนาก็ไม่มีนิ่งสงบแม้แต่ลมหายใจนั้นก็อ่อนเต็มทีกองลมหายใจนั้นดูแล้วถ้าหากบุคคลไม่ทราบนึกว่านิพพานตอนนี้แล้วแม้กระทั่งท่านพระอานนท์ก็ยังเกิดความสงสัยว่าพระพุทธองค์นิพพานหรื อ, อยังก็ยังได้ตรัสยังได้ทุได้ถามความข้อนี้แก่ พระอนุรุธทธเถระท่านพระอนุรุธทธะเถระก็จึงได้บอกกับพระนลว่าตอนนี้พระพุทธองค์นั้นยังไม่ได้ทรงปรินิพพานพระองค์นั้นกําลังอยู่ในสัญญาเวทิยิตานิโรธอยู่ก็เพราะเหตุที่ว่าท่านพระอนุรุทธนี้ทรงเข้าอนุปปภวิหารธรรมนี้หรือว่าสมาบัติก้าประการนี้ติดตามพระพุทธองค์ทุกระยะ ตั้งแต่พระองค์เริ่มเข้าปฐมฌานก็ติดตามไปกระทั่งเข้าสัญญาเวทียตานิโรธอนุรุทธะก็จะรู้เมื่อพระองค์ทรงเข้าอนุสัญญาเวทียตานิโรธถอยหลังกลับมาเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะจนกระทั่งถึงปฐมฌานนี้ท่านพระอนุรุทธะก็เข้าตามจึงได้รู้ได้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยังไม่ผ่านตอนนั้น แล้วเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระอนุลุทธเถระกุนี่แหละก็จึงได้ใช้ให้พระอนนุนนำเรื่องนี้ไปแจ้งข่าวแก่พวกมันละกษัตริย์แล้วเหลือเวลานั้นท่านพระอนุลุทธะกับพระอนุนน์นี้ก็ช่วยกันแสดงพระธรรมเทศนา ให้เกิดความสเวชสลดใจจนกระทั่งลุ่งสว่างแก่ประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งมีภิกษุบริษัทเป็นต้นในค่ำคืนนั้นก็ช่วยกันแม้แต่ในการที่จะเคลื่อนพระศพพระบรมศพนั้นไปถวายพระเพลิงที่อ่าที่ถวายพระเพลิงคืออที่วัดกุฏพันธนะเจดีนั้น ก็ได้แต่แก่ได้แต่ได้ท่านอนุรุธทธะผู้นี้เป็นผู้แนะนำเพราะเหตุว่าเบื้องต้นนั้นผูม้มลรักษัตริย์ทั้งหลายต้องการจะนําพระบรมสุศพของพระองค์นี้ออกไปถวายพระเพลิงนอกเมืองดังนั้นเมื่อเข้าไปเคลื่อนพระศพเท่าไรเท่าไรก็ไม่สามารถจะขยับเขยื่อนได้ก็จึงเด็กทูลจึงได้ถามเรื่องนี้เรียนถามเรื่องนี้แก่ท่านพระรุทธะท่านพระรุทธะองค์นี้ก็จึงเด็ก กล่าวว่าเทวดานั้นต้องการจะให้นำพระบรมศพนี้เข้าไปในภายในพระพนครแล้วก็ออกทางทิศเข้าไปในพระนครในประตูด้านทิศเหนือแล้วก็เวียนรอบพระนครและออกประตูด้านทิศ ต, ตะวันออกนำไปถวายวร่เพลิงอย่างมากุฏพันธนาเจดีย์ดังนั้น พวกมละทั้งกษัตริย์ทั้งหลายก็จึงได้อ่อนโอนตามความประสงค์เทวดาก็จึงได้เคลื่อนพระบรมศพได้แม้เมื่อถึงเชิงตะกอนก็ตามมละกษัตริย์นั้นได้ถือพเพลิงได้ถือพเพลิงคือคบไฟนั้นเข้าไปทั้งสี่ทิศจุดพระบรมศพจุดทลายทลายก็ไม่สามารถที่จะให้ลุกขึ้นไหมได้ก็จึงได้ถามเรื่องนี้ทูล เ, เรียนถามเรื่องนี้แก่ท่านอนุรุทธะ ท่านพระนุตุทะเถระเจ้าก็จึงได้บอกความประสงค์ของเทวดาว่าต้องการจะให้รอท่านพระมหากระสปะเถระพวกมลกกรลคกษัตริย์ทั้งหลายก็จึงได้ยินยอมตามนี่แหละก็จึงเป็นอันอ้างได้ว่าท่านอนุรธธุทะเถระผู้นี้อยู่มาจนกระทั่งหลังพุทธปรินิพานท่านอนุตุทธเถระได้อยู่ได้ดำลงชนมายุสังขาร โดยสมควรแก่การแล้วก็ดับขันธปรินิพานแต่ตำนานนั้นก็ไม่ได้กล่าวว่าปรินิพานณที่ใดเอาละท่านสาธุชนและท่านนักศึกษาทั้งหลายประวัติของท่านอนุพระอนุรุทธะเถระเจ้าก็จบลงเพียงเท่านี้ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกๆ ท, ท่านด้วยกันขอเจริญพร จเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและสาธุชนทั้งหลายประวัติต่อไปก็เป็นประวัติของท่านพระมหาเถระองค์สาคัญอีกองหนึ่งคือประวัติของท่านพระอานอนเทเถระเจ้าซึ่งองค์นี้เราท่านทั้งหลายก็รู้จักกันดีท่านพระอานอนเทเถระนี้ ประวัติเดิมของท่านนั้นก็เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโกธนะซึ่งพระเจ้าสุโกธนะผู้นี้ก็เป็นพระกณิษฐาาดาคือน้องชายของพระเจ้าสุโธธนะผู้ครองนคนกรกบิลพัพระมารดาของท่านนั้นก็มีพระนามว่าพระนางกีสาโคตมี เมื่อนับตามระดับวงแล้วตามระดับสากยวงแล้วท่านก็เป็นพระอนุชาของสมเด็จพระบรมศาสดาท่านพระอน์ น, นั้นเรียกตามภาษาบาลีว่าอนันท์แต่เรียกตามภาษาไทยเรานิยมเรียกว่าพระอนุนก็เป็นลูกพีลูกพี่ลู ก, ลกน้องกันก็คือ พระอนุนั้นเป็นลูกพูนน้องของเจ้าชายสิทธากุมารหรือพระบรมศาสดาแล้วก็เป็นลูกผู้พี่ของอนุรุทธะพระอนุรุทธะนั้นเป็นลูกของพระเจ้าอาของพระอนุนพระอนุก็เป็นลูกพระเจ้าลุงของอนุรุทธะก็เรียกว่าเป็นอนุชาหรือเป็นลูกพูนน้องของเจ้าชายสิทธากุมารเช่นเดียวกัน เมื่อพระบรมศาสดานั้นสเสด็จประทับอยู่ที่อนุปยะอัมพวันหรืออนุปยะนิคมแคว้นมัษัสสั์ <c oughs> ท่านพระอ น, น, นุนีก็ได้ถูกอนุรุธะกุมารชักชวนออกบวชซึ่งประวัตินั้นหรือว่าเรื่องราวนั้นก็มีมาแล้วในประวัติของอนุรุธะ คืออนุรุทธกุมาร น, นี้นอกจากจะไปชักชวนท่านพัทยราชาแล้วก็ยังได้ชักชวนอานัทธกุมารพักคุกุมารกิมพิละกุมารแล้วก็เจ้าชายแห่งโกลิยะวงองค์หนึ่งก็คือเทวทัตจึงพร้อมกันออกจากพนครซึ่งมีอุบาลีช่างกระบกหรือนาย เ, เป็นผู้เป็นนายผู้สามารากาศนั้นติดตามไปด้วย ไปเฝ้าพระพุทธองค์นั้นที่อนุปิยอัปวันเมื่อไปแล้วก็ได้ทูลขออุปสมบทด้วยกันทั้งหมดเมื่อพระอนนุนได้อุปสมบทแล้วได้ฟังโอวาทของพระปุณณมันตานีบุตรพระปุณณปันตาดีมีบุตรนี้ก็เป็นหลานชายของท่านพระัญญากนทัญญะ ได้ฟังโอวาทของท่านพระปุณณมันตานีบุตรกล่าวสอนแล้วก็ได้บรรลุพระโสดาปัติผลคือได้เป็นพระโสดาบันอยู่มาในการครั้งหนึ่งพระบรมศาสดานั้นตรัสขอให้สงนั้นเลือ่องหาภิกษุผู้จะอุปถาพระองค์เป็นนิดคือในการก่นกอนๆนั้น ภิกษุทง์ทั้งหลายได้จัดเปลี่ยนเวรกันให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอุปถากคพระพุทธองค์นั้นชั่วระยะการหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเวรกันแต่เมื่อในขณะที่ว่าเมื่อภิกษุองค์หนึ่งที่เป็นอุปถากหมดเปรแล้วที่จะอุปถากแล้วจะหาภิกษุองค์ใหม่นั้นบางครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จะต้องประทับอยู่เพียงองค์เดียวจึงได้รับความลำบาก เพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงตัดขอให้สงฆ์เนี่เลือกหาพระที่จะอุปถักค์พระองค์นั้นเป็นนิจตลอดไปโดยไม่ต้องเปลี่ยนเวงกันแบบก่อนภิกสุสงฆ์ทั้งหลายก็จึงได้เลือกเอาท่านพระอนุทวายเห็นว่าท่านพระอน์นี้เป็นผู้มีความฉลาดนะเห็นผู้มีเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดมีปัญญาสามารถ ที่จะจัดหรือว่าการอุปถัมภ์พระพุทธองค์ให้ถูกต้องตามอธิยาสายได้และอีประการหนึ่งนั้นก็คือว่าเป็นผู้คุ้นเคยกันรู้จักประเพณีธรรมเนียมในฐานะที่ว่าเคยเป็นพี่น้องร่วมสากยะบงด้วยกันดังนั้นพิสุสง์นั้นก็จึงได้คัดเลือกเอาท่านพระอนอนท์นี้ถวายเป็นพุทธอุปถัมภ์เป็นนิ แต่ท่านพระอานนท์นั้นก็มีข้อแม้อยู่ว่าถ้าหากจะให้ท่านเป็นพุทธุพุถากนั้นท่านจะต้องขอพอรแปดประการซะก่อนถ้าพระองค์ทรงประทานพรแปดประการนี้ให้แล้วพระอานนท์จึงจะขอรับเป็นพุทธอุปถัาประจําเป็นนิดพรที่พระอานนท์ได้ทูลขอพระพุทธองค์นั้นก็มีแปดข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่ง ขออย่าได้ประทานจีวร อ, นอนันประณีตแก่ข้าพระพุทธเจ้าประการที่สองอย่าได้ประทานบิธบาตอันประณีตแก่ข้าพระพุทธเจ้าประการที่สามอย่าโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในที่ประทับของพระองค์ประการที่สี่อย่าทรงพาข้าพระพุทธเจ้านั้นไปในที่นิมนต์ ประการที่ห้าขอพระองค์จงเสด็จไปสู่ที่นิมนต์ที่ข้าพระพุทธเจ้ารับไว้ประการที่หขอให้ข้าพระพุทธเจ้านั้นพาบริษัทซึ่งมาเฝ้าพระองค์แต่ที่ไกลเข้าเฝ้าได้ในขณะที่มาถึงข้อที่เจดถ้าความสงสัยของข้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นวันใดขอให้ข้าพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าทูลถาม ได้เมื่อนั้นและแปดถ้าพระองค์ทรงสแสดงธรรมมาเทศนาเรื่องใดในที่รับหลังข้าพุทธเจ้าคือหมายความว่าในที่ที่ข้าพุทธเจ้าไม่ได้ตามเสด็จไปฟังด้วยขอพระองค์ทรงตรัสบอกธรรมเทศนาเรื่องนั้นแก่ข้าพุทธเจ้าพระบรมศาสดาจึงตรัส ถามว่าดูก่อนอานันทะเธอเห็นคุณและโทษอย่างไรจึงได้ขออย่างนั้นพระอานนท์ก็จึงได้กราบทูลว่าถ้าข้าพระองค์จักไม่ได้พรสี่พรทั้งสี่ประการข้างต้นก็จะมีคนพูดกระหันนินทาได้ว่าพระอนนท์นั้นได้ลาบอย่างนั้นอย่างนั้นจึงบำลุงพระบรมศาสดาการบำรุงอย่างนี้จะหนักหนาอะไร พรสีตข้างต้นที่พระอนนท์ได้กล่าวว่านั่นก็คือว่าอย่าประทานจีวร อ, อันประณีตอย่าประทานบินทบบาตอันประณีตอย่าให้ข้าวผู้เจ้าประทับในที่ประทับของพระองค์อย่าให้ข้าวผู้เจ้าไปอยู่ในที่ประทับของพระองค์และก็อย่าให้ทรงพาข้าวผู้เจ้านั้นไปในที่นี้หมดถ้าหากว่าพรข้ อ, อนี้ไม่ได้แล้วคนเขาจะนินทานได้ว่าก็การที่พระอานนท์นั้นอุปถัมภ์ผู้เจ้า ด้วยความเต็ม อ, อกเต็มใจนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าพระองค์ประทานจีวรอันประนีตให้ประทานอาหารพิจฉาบา ท, ที่ประนีตให้แล้วให้ประทับอยู่ในอ่าที่ประทับของให้ให้อยู่ในที่ประทับของพระองค์แล้วก็พาไปนิมนต์ในที่นิมนต์เป็นประจําเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่พระนรินได้เต็มใจอุปถาง น, นี้ก็เพื่อหวังลาบอย่างนี้นี่คนอื่นเขาจะได้ดูถูกคนิหะคาลหาได้ว่าการปฏิบัติ อ, อุปถางไมไ่หนักหนาอะไรเลย แต่ว่าที่ทุกคนเต็มใจอุปถากได้นั้นก็เพราะเหตุที่ว่าหวังลาภอย่างนี้เพราะฉะนั้นอานนท์จิงพระอานนท์จิงได้ขอพรอสี่ประการข้างต้นนั้นเพื่อกันการทระหานิ่งาจากคนอื่นๆและถ้าข้าพระองค์นั้นจักไม่ได้พรสามข้อเบื้องปลายคนทั้งหลายก็จะพูดได้ว่าพระอานนทะนี้พระอา น, นนท์นี้บำรุงพระบรมศาสดาทำอะไรกัน เพราะพระองค์ไม่ทรงอนุเคราะห์แม้ด้วยกิจเพียงเท่านี้สามข้อเบื้องปลายที่ว่านั้นก็คือว่าข้าพระองค์ขอพระองค์จงเสด็จไปสู่ที่นิมนต์ที่ข้าพระพุทธเจ้ารับไว้ขอให้ข้าพระพุทธเจ้านั้นพาบริษัทซึ่งมาเฝ้าแต่พระองค์แต่ที่ไกลเข้าเฝ้าได้ในขณะที่มาถึง และถ้าความสงสัยของข้าพระพิทธเจ้าเกิดขึ้นบางใดขอให้เข้าเฝ้าทูลถามได้เมื่อนั้นสามข้อนี้ขอให้พระองค์นั้นประทานพรเป็นพิเศษถ้าหากว่าสามข้อนี้ไม่ได้พรจากพระองค์แล้วคนอื่นก็จะอ่าผู้อื่นก็จะกล่าวติฉินนินทาได้ว่าจะบำบุงไปทำไมเพียงแค่นี้พระองค์ยังไม่ทรงอนุเคราะห์ซึ่งเป็นกิจไม่หนักหนาอะไร และถ้าข้าพระองค์นั้นไม่ได้พรข้อสุดท้ายจากมีผู้ถามข้าพุทธเจ้าในที่รับหลังพระองค์ว่าทำนี้พระองค์พระพุทธองค์แสดงที่ไหนถ้าข้าพุทธเจ้าบอกไม่ได้แล้วเขาก็จะพูดติเตียนได้ว่าท่านไม่รู้แม้แต่เพียงเรื่องเท่านี้ท่านนั้นไม่ละพระบรมศาสดาเที่ยวติดตามดุกรเงาตามตัวไปสิริการนานเพราะเหตุใด อันนี้ถ้าพูดตามภาษาไทยแล้วก็คือว่าถ้าหากมีใครผูดด้ใดมาพูดหนึ่งมาถามว่าพระสูตรนี้หรือพระธรรมเทศนากันนี้พระพุทธองค์นั้นสแสดงแก่ใครที่ไหนถ้ามาถามพระอ น, นุ์เท่าพระอนุนตอบไม่ได้แล้วคนอื่นเขาก็จะกล่าวทิมทาได้ว่าท่านพระอนุนนี้ติดตามพระพุทธองค์นั้นตลอดระยะเป็นเวลานา น, นเหมือนกับเงาติดตามตัว แต่ามอะไรไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกับว่าใกล้เกลือแล้วกินดักดังนั้นเพื่อกันความครหาขอ้อนี้ท่านพระอนนท์ก็จึงได้ขอพรข้อสุดท้ายว่าถ้าหากพระพุทธองค์นั้นเทศนาโปรดใครที่ไหนก็ตามซึ่งข้าพระพุทธองค์ไม่ได้เสด็จติดตามไปด้วยคือไม่ได้ฟังด้วยกลับมาแล้วขอให้พระองค์นั้นได้เทศนาโปรดแก่ข้าพเจ้าให้ฟังอีกครั้งเพราะฉะนั้นพรข้อนี้แหละ ที่ท่านพระอนนะั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นพระหูสูตรคือฟังมากทุกอย่างทุกอย่างธรรมะทุกข้อทุกทสูตด ท, ท, ท, ที่พระองค์ทรงแสดงแก่ใครที่ไหนถามพระอนุนรู้เรื่องหมดนี่เพราะพระอนุ์ขอพรไว้ดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์นั้นสเสด็จไปโดยพระองค์เดียวเทศนาโปรยใครที่ไหนก็ตามเมื่อกลับมาแล้วต้องมาเทศให้พระอานนุ์ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้แต่ถาคตไปที่นั่นเทศให้บุคคล น, นั้นฟังด้วยธรรมะข้อนั้น แล้วมีใจความอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระอนุนี้จึงถือว่าเป็นคลังปริยัติพระบรมศาสดานั้นเมื่อทราบความต้องการดังที่พระอนุนนั้นได้อธิบายแล้วพระองค์ก็ทรงอนุญาตคือประธานพรให้ตั้งแต่การนั้นมาท่านพระอนุนนั้นก็จึงได้เป็นพุทธอุปถากพระบรมศาสดาโดยเอื้อเฟือ้อ มีความจงรักภักดีในพระองค์เป็นอย่างยิ่งแม้ถึงชีวิตก็อาสละแทนพระองค์ได้ดังจะเห็นตัวอย่างได้เมื่อครั้งพระเจ้าอาชาติศัตรูปล่อยช้างนาลาคิรีเพื่อที่จะให้ทำอันตรายแก่พระองค์นั้นพระอนนท์องค์นี้แหละออกยืนขวางหน้าช้างนาลาคิรีเสียมีให้มาทำอันตรายแก่พระองค์ได้โดยที่ยอมสละชีวิตของตัวเอง และด้วยเหตุที่ท่านพระอนน์เนียอยู่ใกล้ชิดพระบรมศาสด า, สดาก็จึงได้ฟังธรรมะที่ทรงแสดงแก่ตนเองและผู้อื่นจึงเป็นผู้ที่มีสติทรงจาไว้ได้อย่างมากมีความเพียรเอาใจใส่ในการเล่าเรียนและสยายทรงจำจึงเป็นผู้ที่ฉลาดในการที่จะแสดงธรรมะมาก ดังนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ยกย่องทูสลสรรเสริญท่านพระนุนว่าเป็นยอดแห่งพิสุททั้งหลายห้าสถานเดวยกันก็คือหนึ่งเป็นผู้หูสูดหรือเป็นผู้หูสูรแปลว่าได้สดับตรับฟังมามากกว่าใครทั้งหมดสองมีสติสา ม, มีทิฏฐิคือปัญญาสมีความเพีย แล้วก็ห้าเป็นพุทธอุปถานี่แหละพระอนุ์ได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์นั้นก่อนที่พระองค์จะปรินิพานว่าเป็นยอดกว่าพิสุทธ์ทั้งหลายห้าสถานด้วยกันความจริงแล้วท่านพระอานนุน์นี้ได้สดําเร็จอรหัตผลนั้นหลังที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพานไปแล้วในขณะก่อนที่พระอานุ์จะอ่าในขณะก่อนที่ พระองค์จ้ปริพญานั้นท่านพระอนน์นี้ได้เป็นเพียงพระโสดาบันเท่านั้นคือตั้งแต่บวตใหม่ๆได้ฟังโอวาทของพระปุณณามนตานีบุตรก็ได้เป็นพระโสดาบันแต่ต่อจากนั้นแล้วพระอนน์ก็ไม่ได้บรรลุคุณธรรมพิเศษต่อไปอีกเลยเฝ้าปฏิบัติพระพุทธองค์นี้ตลอดจนถึงพุทธกาลคือพระองค์ปริญญานันแล้วแต่พระอนนท์เนี่ยเป็นผู้ที่มีอ่าเป็นผู้หูสโสมีสติมีปัญญามากทั้งๆที่ยังเป็น กุตุชนอยู่นะย่างทั้งๆังที่ว่ายังไม่ได้สําเร็จออรหัตผลเป็นพระอรหันนี้จะเห็นได้ว่าในการที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานนั้นพระพุทธองค์นั้นได้สั่งอ่าให้พระอ น, น์นี้ไปแจ้งข่าวปรินิพพานแก่มัรละกษัตริย์ว่าบัดนี้องค์พระสถาคตเจ้านั้นจะปรินิพพานใน ในค่ำคืนหรือในนราตรีวันนี้ที่สาลวโนทยานขออย่าให้พวกกษัตริย์มลรคกษัตริย์เหล่านั้นได้เสียพระทัยในภายหลังเลยว่าพระพุทธองค์นั้นมานิพนธ์ในแดนแว่นแขวงของเราแต่เราไม่รู้เรื่องเลยดังนั้นพวกมรกกรคกษัตริย์ทั้งหลายเมื่อทราบอย่างนั้นแล้วก็จึงได้เสด็จมาเฝ้ามากันหมดทุกครอบครัวพระอานนท์ก็จึงมาคิดว่าถ้าหากว่าจะให้พวกมรกกรคกษัตริย์นี้ เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทีละพระองค์พระองค์แล้วไม่สามารถที่จะเฝ้าให้หมดได้ก่อนจะสว่างดังนั้นพระอนุนก็ด้วยปัญญาสามารถพระองค์นั้นก็จึงให้เฝ้าครั้งละหนึ่งครั้งละครอบครัวคือครอบครัวของใครก็ให้เฝ้าแล้วก็แจ้งกราบทูลในพระองค์ทราบว่านี่เป็นตระกูลของประัตรองนั้นนี่เป็นตระกูลของประศัตรองนั้นทีละตระกูลตระกูลเพราะฉะนั้น ด้วยความสามารถอัชญชันฉลาดของพระอนนนิแหลกปรากฏว่าพวกมลทัศน์ทั้งหลายนั้นเฝ้าเสร็จภายในปฐมยามนั่นเองนี่ก็เป็นความสามารถของพระอนนน์พระอนนน้ได้บำบ u l o อุปถาพระพุทธองค์นี้ตลอดกาลมาจนกระทั่งปรินิพานซึ่งมีความเคารพและรักใคร่พระองค์มาก ในการที่พระองค์ใกล้จะประลุนิพพานนั้นพระองค์พระอนนท์นี้ก็ไปยืนจับสลักเพชรนั้นยืนร้องไห้ด้วยความอะไราต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงทราบขึ้นก็จึงให้ตรัสเรียกพระอนนท์มาก็บอกก็ได้สั่งสอนพระอนนท์ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารอนนทนั้นอย่าได้เสียใจไปเลยหลังจากตถาคต นิพพานไปแล้วสามเดือนอันนนทนี้จะได้บรรลุคุณธรรมพิเศษเป็นพระอรหันต์ก็แล้วจึงได้สรเสริญพระอันนนี้นานัปการด้วยกันให้แก่ภิกษุทั้งหลายได้ฟังเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานแล้วในวันอันนนปรินิพานแล้วท่านพระมหากัะสปะเทระ ซึ่งเป็นพระสังฆเถระในการที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธองค์นั้นเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จแล้วก็จึงได้ชักชวนให้พระพิสุกสง์ประมาณเจ็ดหมื่นลูกในสถานที่นั้นในการที่จะทำสังขยาพระธรรมวินัยพระสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นด้วยแล้วก็จึงให้ท่าน พระมหากษัตริยนี้เป็นประธานที่จะได้คัดเลือกพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอาหารหันต์ล้วนที่เป็นพระอาหารหันต์ประเภทที่ว่าเตวิชโชชละพิญโยคือได้วิชาสามอภิญญาหกคัดได้แล้วจนกระทั่งได้พระอาหารหันต์สี่ร้อยเก้าสิบเก้ารูปหรืออีกรูปหนึ่งเพราะเหตุที่ว่าอีกรูปหนึ่งนั้น ในการทำสังคยนาครั้งนี้ผถมสังคยนาครั้งนี้ถ้าหากว่าขาดพระอานนท์เสียสังคยนานี้ก็สำเร็จได้ยากเพราะเหตุที่ว่าพระอานนท์นั้นเป็นครังปริยัติเพราะเหตุที่พระอานนท์นั้นเป็นครังปริยัติพระสูตรต่างๆที่พระพุทธองค์แสดงแก่ใครที่ไหนนั้นพระอานนท์เป็นผู้รู้หมด พิสูจอื่นนั้นพิสูจนสองอื่นนั้นไม่สามารถจะรู้ได้ทั่วถึดแต่ว่าทัานจะเลือกพระอนนท์เข้าไปนั้นก็พระอนนท์นั้นเป็นแค่เป็นเพียงพระโสดาบันเท่านั้นอ่าเป็นพระโสดาบันเท่านั้นก็จะเป็นการเห็นแก่นหน้าไปเพราะว่าพระอรหันต์ตะขีนาศพองค์อื่นนั้นมีจํานวนมากก็เดยละเว้นเสียเลือกเอาเฉพาะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นแต่จะมาเลือก เอาพระโสะดาบันเข้าไปด้วยก็จะเป็นการเห็นกันนาแต่ว่าพิสุสง์ทั้งหลายในที่นั้นเห็นว่าพระอนนท์นี้เป็นผู้ที่มีความสามารถมากจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือในการทําสังขยาครั้งนี้เป็นอย่างดีจึงได้เสนอแก่ท่านพระมหากัสสปะว่าให้เลือกพระอนนท์เข้าไว้เพราะฉะนั้นท่านพระมหากัสสปะเถระนี้ก็จึงได้เลือกพระอนนท์เข้าไว้ ในจำนวนนั้นซึ่งพระอนุนในขณะนั้นเป็นเพียงพระโสดาบันธนะแต่ว่าหลังจากนั้นมาหลังจากนั้นมาเป็นเวลาสามเดือนหลังจากพุทธปรินิพานแล้วคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นปรินิพานในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกหลังจากนั้นสามเดือนก็เป็นระยะฤดูเข้าพรรษา คือกลางเดือนเก้าพระพิสุส่งทั้งห้าร้อยนั้นก็เริ่มที่จะทำสังเเนาการทำรสังเยนาปถมทั้งสังเเนาครั้งนี้ก็ทำกันที่ถ้ำสัตปัะอสัตบันนะูหาเชิงเขาเวพาระบันพจนะกรุงราชคลึ้โดยที่ได้พระเจ้าอาชาติศัตรู ผู้เป็นกษัตริย์แห่งแว่นแคว้นมครทรัตสืบต่อจากพระเจ้าพิมีสารผู้พระราชบิดานั้นเป็นสาธนูประสาประามพกในการกระทำสังคยา น, านีโดยการที่จัดให้สร้างประลำและก็ถวายอาหารแด่พระสงฆ์ที่ทำสังขยานาทั้งหมดห้าร้อยลูก ในวันรุ่งขึ้นที่จะถึงการกระทํสมบมสังเขยานานนั้นท่านพระมหากษัตริยก็จึงได้เตือนพระอนุนว่าพรุ่งนี้แล้วจะเป็นวันที่กระทาสังขยานานเพราะฉะนั้นเธอนั้นอนุนนั้นจงพยายามความบำเพ็ญเพียรจนให้สาเร็จพระอรหันต์ใ ห, ให้ให้จนได้ท่านพระอนุนนั้นก็จึงได้พยายามกระทําความเพียรเป็นที่สุด ในการที่จะให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สาเร็จพระอรผลเป็นพระอรหันต์ในแล้ว ใ, ในวันนั้น <c oughs> แต่ว่าก็ไม่ก็แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ก็จึงเกิดคเหนื่อยอเกิดความเหนื่อยเมื่อลาขึ้นก็ต้องการที่จะพักในขณะที่พระอานน์นั้นกำลังจะ กําลังจะย่อนกายลงพักนอนอพักเท่านั้นเองก็ได้บรรลุอรหัตผลในระหว่างนั้นเองคือในระหว่างอิริยาบททั้งสี่คือจะว่ายืนก็ไม่ใช่เดินก็ไม่ใช่นั่งก็ไม่ทันจะนั่งนอนก็ยังไม่ทันจะนอนเรียกว่าสําเร็จอริยาบทในระหว่างอริยาสำเร็จอรหัตผลในระหว่างอิริยาบททั้งส ซึ่งนับว่าเป็นพระมหาเถระซึ่งได้สำเร็จมรรคผลนิพพ า, านนั้นผิดกับผู้อื่นคือในระหว่างอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ท่านพระอนุ น, นั้นเมื่อสำเร็จอ ร, รหัตผลแล้วในวันลุ่งขึ้นที่ประท ร, รมเริ่มต้นประรรบสังแอปฐมสังเยานานนั้นท่านพระอนุนก็จึงได้เข้าอาปโปกสิง คือพูดง่ายๆว่าอ่าแหวกแผ่นดินเหมือนกับดำไปในน้ําแต่ดำในแผ่นดินนั้นไปโปรอาสนะที่นั่งของตนเองในประถมสังคายนาครั้งนั้นในทํานองประกาศให้พระเถระทั้งหลายรู้ว่าตนเองนั้นก็เป็นพระหรหัสผลแล้วโดยที่ในประชุมแห่งสมาคมแห่งการประทับสังคายนานั้นล้วนแต่เป็นพระอาหารหันทั้งนั้น ในการกระทำปฐมสังยนา น, นั้นพระสงฆ์ก็ได้ถวายให้ท่านพระมหาเถระคือพระมหาเกษะเป็นประธานให้พระอุบาลีเถราจาร์เป็นผู้วินิจฉัยพระวินัยส่วนพระอนนเทเถระนั้นก็เป็นผู้วิสัชนาเกี่ยวกับพระสูตรและพระอภิธรรม การทำสังเขนาครั้งนั้นก็สำเร็จตวยดีโดยเจ็ดเดือนท่านพระอานนท์เทระนี้ในหลังจากกระทำปฐมสังเขนาแล้วการต่อมาท่านก็เด้พิจารณาถึงอายุสังขารเห็นว่าสมควรจะปรินิพานได้แล้วก็จึงไปสู่แม่น้ำโลหินีซึ่งแม่น้ำโลหินีสายนี้เป็นแม่น้ำ ขั้นระหว่างสาคยวงกับโกรยวงคือระหว่างกรุงกบิลพั์กับกรุงเทวทหะท่านก็ได้นิพัฒน์ท่านท่านจะนิพพานนั้นก็ได้หอขึ้นอากาศบรรากาศแล้วก็ได้ดแสดงธรร ม, มเทศนานั้นสั่งสอนแก่เทวดาและมนุษย์ ในที่สุดแห่งธรรมเทศนานั้นท่านพระนนนี้ก็ได้แสดงอิทธิปาฏิหาริมีประการต่างๆเมื่อแสดงอันที่บิหารเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็จึงได้ตั้งสัติญาทิฏฐานว่าเมื่ออัตมนิพพานแล้วขอให้ร่างกายของอัตมนี้จงแตกแยกเป็นสองภาคได้กันแล้วจงตกลงฝั่งข้างฝ่ายพยายศักยวงศ์ภาคหนึ่ง จงตกลงข้างฝ่ายอาฝ่ายพญาติเกเลียวงภาคหนึ่งสำหรับในเรื่องนี้พระองพระอนุ น, นั้นเพื่อจะป้องกันม่ให้ชนทั้งสองพวกคือพญาติทั้งสองพวกนั้นเกิดวิวาทกันเพราะเรื่องอัติธาต์เหมือนกับเมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงปรินิพานนั้นปรากฏว่าประเทศตว์ประเทศต่างๆนั้นมาขอส่วนพระธาตุ เจ้ามาละทั้งหลายไม่ ย, ยอมที่จะประทานให้เกือบจะเกิดสองครามขึ้นเพราะฉะนั้นพระอานนท์นี้ก็เรียกว่าพระญาติฝ่ายทางมารดา น, นั้นเป็นฝ่ายโกริยวงศ์ส่วนพระญาติฝ่ายบิดา น, นั้นเป็นฝ่ายศักยวงศ์เพราะฉะนั้นพระอานนท์นี้ก็เป็นพระเถระผู้มีชื่อเสียงองค์หนึ่งดังนั้นพวกญาติทั้งหลายจะต้องแย่งอธิธาของท่านเป็นแน่เพื่อป้องกันการทะเลวิวาทเพราะอธิธาอย่างนี้ท่านจึงได้อริถาน อย่งนั้นว่าเมื่อท่านนิพพานแล้วขอให้ร่างกายแตกเป็นสองผาคือเป็นสองส่วนเรียบวัดแตกในถ้ำกลางแบ่งเป็นฝ่ายหนึ่งไปทางตกอยู่ทงางฝ่ายสักยวงศ์ฝ่ายหนึ่งก็ไปตกอยู่โกลีวงศ์ท่านอธิษฐานเสร็จแล้วอย่างนี้ท่านก็ดับขันธปรินิพานณะเบื้องบนหรือวันเนี่ยในถ้ำในบรากาศนั่นเอง ซึ่งอยู่ทํากลางระหว่างแม่น้ำโลหินีเมื่อท่านนิพพานแล้วก็ปรากฏว่าสรีละล่างของท่านนั้นก็แตกออกเป็นสองภาคแล้วก็ตกลงมาอย่างภาคพื้นฝ่ายละฝ่ายละส่วนคือส่วนหนึ่งหรือว่าซีกหนึ่งไปตกฝ่ายาในแผ่นดินของสากยะอีกฝ่ายอีกซีกหนึ่งก็ไปตกอยู่ในแผ่นดินของฝ่ายโกลิยะ สมดังที่ท่านอธิษฐานทุกประการท่านพระนร น, นี้เมื่อพิจารณาแล้วก็รู้สึกว่าทั้งที่ท่านได้กิเลสนิพานก็คือว่าสำเร็จอรหัตผลก็แปล ก, กว่าภาษารวองอื่นคือได้สำเร็จอรหัตผลนั้นในในระหว่างอิริยาบถ ท, ทั้งสี่แล้วก็ถึงคราวปรินิพานคือเรียกว่าได้ขันธปรินิพาน คือในขณะนิพานนั้นก็แปลกว่าภาษา v o องค์อื่นคือนิพานบนอากาศ น, นิพานบนอากาศไม่ได้นิพานบนภาคพื้นหรือบนภูเขาหรือบนที่ใดที่หนึ่งเหมือนกับภาษา v o องค์อื่นเลยแล้วเมื่อ น, นิพานแล้วร่างกายของท่านก็แตกออกเป็นสองภาคดังที่คำที่ท่านอธิษฐานตามตํานานนั้นท่านกล่าวว่าพระอานนท์นี้ ท่านดำลงอยู่มาได้จนถึงอายุ120ปี120ปีจึงได้ิ i r v a แล้วพระ อ, อนน์องค์นี้แหละเป็นสหาชาติกับพระพุทธองค์ก็คือเกิดหรือว่าประสูติพร้อมกันวันเดียวกันกับเจ้าชายศิทาภุมารคือในวันเพ็ญขึ้น15ค่าเดือน6 ซึ่งในการที่เกิดพร้อมกันในวันนั้นก็เรียกว่ามีเจ็ประการในการที่เราเรียกว่าสหาชาติเจ็ดก็คือหนึ่งพิมพาสองพระอนนท์สามการุทายีอมาตยสี่ชนะอมาตย์ห้ามากันตกะหต้นโพที่ตัสลุและก็เจ็ดขุมทรัพย์ทั้งสี่นี่เรียกว่าเป็นสหาชาติพระอานนท์ก็เหมือนกันเป็นสหาชาติองค์หนึ่งคือเกิดพร้อมกับพระพุทธองค์ประสูติพร้อมกับพุทธองค์